จะรู้ได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทถนีเราไปศึกษาเรื่องกายญาุปัสจนาจิติปฐานเวทนาจิตาธรรมะเราก็งงถไม่งงได้ยังไงเออเพราะว่าการทำอย่างนั้นเขาก็ว่าเขาจิตใจสงบได้ความได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นจุกอย่างนี้อย่างนี้เน่ไปถามคนนั้นกนนี้นี่นีเน่ไปถามใครกันนี่นี่เน่้ทนี้ตัวเองไม่รู้จับ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 กระโดดไปทํานาหน่อยหนึงไปกียรติยางหน่อยนึงไปทําไร่ข้าวโพดหน่อยหนึ่ ง, ไป ง, ง, ไ, ป ไ, ง, งไปงานสำหรับรอยหนึงกลับมาขายน้ํามันหน่อย <c oughs> นึ่งผลในสูงก็เป็นบ้าตายเลยสิจัยเพราะเหตุอะไรเพราะมันไม่ได้ยึดแนวแถวอันไหนไม่ได้ศึกษาให้ดีอมันจะเป็นบ้าครับตาแดงเข้ามาอเลยจัยเพราะเหตุหอะไรเพราะอันไหนก็ได้เงินทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดนี่ละ่ะเอาเถอะ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 เอาไปเอามาแต่ตาแดงขึ้นมาจะเป็นบ้าได้ง่ายๆอย่างที่ว่าถามอะไรเขาก็ว่าเขาได้เงินทั้งหมดแต่ตาไม่จริงการได้เงินของเข า, าก็อคือวิธีการปฏิบัติของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางองค์ก็ยึดพุทธานุสติอย่างเดียวบางองค์ก็ยึดธ ร, รมานุสติบางองค์ก็ยึดสังคานุสติบางองค์ก็ยึดศีลานุสติสรุปแล้วก็คืออยู่ในสติปฐานสีกายเวทนาจิตธรรม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 ยังขาดสติจับเวทนากนละเอียดเข้าไปหน่อยก็ขาดจะจะไปจับจิตตานุปจนนาธรร ม, ม า, นน า, านุปจนนาเจติปัฏฐานเอีแปลว่าสรุปแล้วก็คือคว้าน้ำเหลวแต่พูดพูดได้เอีพูดพูดซึ่อก้หลูทีเดียวละ่ะแต่พอเอาข้อจริงๆน่ะมันคว้าน้ำเหลวเพราะนั้นให้ยึดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่น